ในวิธีการหลงพ่อเทียนคือการพูดธรรมะหมายถึงพูดเรื่องของตัวเองเรื่องของตัวเองให้ฟังว่าในขณะเรี้ตัวเรามีอะไรอยู่แล้วก็พูดถึงภาวะอันนั้นและอ่านตัวเองให้ออกบอกตัวเองให้ได้ใช้ตัวเองให้เป็นเห็นตัวเองให้ชัด ตัเองให้ถูกแล้วก็ปลูกสมาธิอยู่เสมอวิธีการของท่านทีนี้ในปัจจุบันในปัจจุบันขณะคุณจะพูดใ น, น, นวันนั้นพูดถึงเรื่องนามวันนั้นพูดถึงเรื่องรูปวันนี้จะพูดถึงเรื่องนามพอมาถึงวันนี้ก็คงจะงจะเข้าใจได้แลเรื่องรูปกับนามอย่างนีงให้ชัดชัด เพวมันเป็นฐานที่สําคัญของการปฏิบัติถึงว่มันจะเป็นฐานเบื้องต้นแต่ว่าถ้าฐานเบื้องต้นมันดีเนี่ยการสร้างชั้นต่อไป <c oughs> จะสร้างตึกสร้างสะพ า, านสร้างบ้านสร้างเมืองต้องลงหลักปักฐานลงต่อหมอเสาเข็ม น, นะ หรือแม้กระทั่งสร้างถนนก็จะบทจาดทํามันได้ที่ก็จะลาดยางได้ใช้เวลาเป็ น, นหลายปีก็เขาจะลาดยางให้สันได้ก็ดีการที่จะพัฒนาภูมิธรรมภูมิปัญญาให้สูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆ เ, เ, เราจะไปต้องเข้าใจวางพื้นฐานความรู้สึกตัวของตัวเองเนี่ยให้ว่นงโพงให้ลึก พอที่จะรองรับคนที่พื้นฐานไม่ลึกซึ้งไม่เข้มแข็งพอเนี่ยก็มีปัญหาที่หลังแก่ยากหรือแก้ไม่ได้เลยปัญหาในแง่ของกรรมฐานหรือวิปัสนามันจะออกมาในแง่ของวิปัสนูจินตยานวิปลาสพอมาถึงวิปลาี่แก่ยากแก้ไม่ได้เลยวิปัปสนูจินตยานพอแก้ได้ พอเสื่มได้พอเสื่อมล่กเสื่มฐานได้แต่ว่าพอไปถึงวิปัสสนาแล้วเขาว่ามันสุดดึกสุดตึกจมลงเปในดินเลยคู่ไม่ได้นะแต่วิปัสสนาจินตาานั้นมันพอจะร้าตึมันจะร้าตรงนั้นมันจะเอียงตรเนี้พอจะเสื่มฐานทันอยู่เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่า การเข้าใจพื้นฐานของวิปัสนาเบื้องต้นเนี่ยสำคัญเหมือนกับการตอกเสาเข็มเพราะอย่างน้อยเราต้องสร้างตึกถึงเท่าไรแ8ชั้นเรียกมักแ8ดอมักเนี่ยมันตามําดับขึ้นไปถ้าเป็นยานปัญญาก็เรียก ว, ว่าเป็นวิปาาัสนาญาณถึง ถ้าความจริงวิปสัสนาญาณของที่เรามีแค่สามชั้นแต่พระอรหัาจารย์มาแยกเป็น16ชั้นเรียว่าวิปัสนาญาณสิบหกถ้าเป็นตึกตึกก็ตึตกสิชั้นนะั่นแหละเพราะนั่นเองฐานเราอยากจะได้ตึกกี่ชั้นก็สร้างฐานลึกเท่านั้นสร้างฐานลึกเท่านั้นทีนี้วิธีสร้างฐานทำยังไงฐานของตัวรู้คือรูปกรรม การที่เราเข้าใจรูปถูกต้องตามความเป็นจริงที่ได้กล่าวมาวันก่อนการเข้าใจรูปให้ถูกต้องตามความเป็นจริงเข้าใจว่ารูปมันเป็นรูปเท่านั้นอันนี้มันจะถูกแต่ถ้ามาเลยว่าเรายัมองเห็นรูปนี้เป็นเรามองเห็นรูปนี้เป็นหญิงเป็นชายมองเห็นรูปนี้เป็นสมมุติอยู่เนี่ยยังชื่อว่าเห็นรูปยังไม่ถูกต้องแต่เมื่อไรเห็นรูปเป็นรูปเนี่ย มันจะง่ายเข้าพอเห็นรูปเป็นรูปปั๊บเนี่ยไอ้คุณสมบัติของรูปมันมีแค่สามอย่างคือเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเป็นทุกข์แล้วก็แตกดับตลอดเวลามันมีสามอย่างแค่นั้นนะคุณสมบัติของรูปเนี่ยเปลี่ยนแปลงคือมานไ่เปลี่ยนแปลงอีกครั้งแล้วเนี่ยกําหนดรูปไหเริ่มตั้งแต่รูปสิบตัวขยัยตัวลูปขึ้นพับก็หมุนรูปบารู้ พลิกนะขาไหนก่อนพลิกมือไหนก่อนก่อนที่จะลุกขึ้นรู้ไหเห็นไหมเห็นการเปลี่ยนแปลงไหมลุกขึ้นแล้วจะไปห้องน้ำตอนไหนรู้สึกยังไงในตัวปวดหนักหรือปวดเบาก่อนสังเกตนะนี่คือการรู้จักรูปรู้จักการเปลี่ยนแปลงของรูปถ้าไม่เริ่มณนะตรงนี้ให้ชัดชัดแต่ละวันนะยากนะในการปฏิบัติมันไม่ใช่เรื่องยากแต่เป็นเรื่องที่เรา รูความเคยชินมันครอบมาตลอดอ่ะการรู้เรื่องของรูปคือรู้การเปลี่ยนแปลงของรูปเนี่ยเขาเรียกรู้เรื่องของรูปรู้ความเป็นทุกข์ของรูปแล้ ว, ลวรู้การดับสลายของรูปเนี่ย <c oughs> ไม่ใช่รู้การดับสลายรู้การภาวะที่ควบคุมไม่ได้ภาวะทีบ่บังคับบัญชามันไม่ได้แต่ว่าเรา ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงมันได้บังคับมันไม่ได้ได้ปรับปรุงมันได้อื ừ, เสียงมันหึ่ๆนะด้วยกันไหมดังนั้นเองก็อยากจะใหะ้ศึกษาเรื่องรูปเรื่องนามให้ชัดๆเนี่ยไม่ต้องรีบไปไหนแหละถ้ารูปนามชัดเจนถูกต้องนะมันรู้ครึ่งหนึ่งเข้าบรรลุธรรมก็ไปครึ่ง น, นึงของเกิดของคุณธรรมทีเดียวนะ คือย่างน้อยเป็นพระโสดาบันนะถ้าเข้าใจรูปน้ำถูกต้องนะใน <c oughs> ถ้าสมมุติว่านะถ้าเห็นรูปก็คือเห็นการเปลี่ยนแปลงเห็นความเป็นทุกข์เห็นวิธีการจัดการ <c oughs> นะถ้ามันมันขับบัญชาไม่ได้จัด ก, การมันเป็นรู้ว่ามันเปลี่ยนแปลงรู้ว่ามันเป็นทุกข์เราจะปล่อยมันเป็นไปอย่างนั้นอีกก็ไม่ได้ต้องปรับแต่วิธีปรับนี่ปรับอย่างไร อันนี้แหละที่เรามาปฏิบัติกันเนี่ยเรามาศึกษาเพื่อวิธีปรับให้รูปเนี่ยปรับการเปลี่ยนแปลงปรับการเป็นปปรนูกข้องมานะ่ะน่าจะดีกว่านี้มันไม่ดังดูดเพราะนั้นเองก็อยากจะปัญหามันเป็แบบนี้เนาะทำไมนั้นเราต้อง ทำความเข้าใจเรื่องรูปให้ชัดเจนให้แจ่งแจ้งเสมอว่ารูปมันมันคืออะไรกันแน่พอเข้าใจรูปแล้วเสียงกลิ่นรสสัมผัสมันจะเป็นอันเดียวกันหมดเพราะเสียงก็เป็นรูปอันหนึ่งกลิ่นเป็นรูปอันหนึ่งสัมผัสเป็นรูปอันหนึ่งความคิดรสชาติเป็นรูปอันหนึ่งทีนี้เราจะใช้ความรู้สึกตัวที่เราฝึกเนี่ย ความรู้สึกตัวที่เรายกเราเดินเนี่ยเราจะเอามาทำความเข้าใจเรื่องนี้แต่ความเข้าใจเรื่องนี้ไม่ใช่คิดนะอไอ้รูปไปยังไงโนเสียงไปยังไงไม่ใช่คิดอย่างนั้นนะดูเข้าไปในรูปเลยว่ารูปมันแสดงอาการอย่างไรตัวนี้ทุกคนเห็นใช่รูปมันแสดงอาการถึงความไม่สบายนั่งมาเป็นชั่วโมงเนี่ยไม่สบายปวดหปวดแข้งปวดขาเห็นไหมเห็นอาการตัานี้ว่า คือเห็นในสิ่งที่ธรรมดาไม่เป็นธรรมดาในสิ่งที่เป็นธรรมดาเหลือเกินเนี่ยนั่งแล้วมันปวดนั่งแล้วมันอบมันอ้าวนั่งแล้วมันสบายรัดเข็มขัดแน่นไปหน่อยปวดหนักปวดเบาอะไรเหล่านี้มันธรรมดามากๆเลยแต่มองในความเป็นธรรมดาเนี่ยนี่เข้าใจในความเป็นธรรมดาของมันเออธรรมดามันเป็นอย่างนี้เอวังพาวอีภาวะเป็นอย่างนั้นเอวังอนาตูโต มันไม่เป็นอย่างเนี่ยนะมันเป็นอย่างเนี้ทีนี้เมือ่อมันเป็นอย่างมันอย่างนี้แล้วยอมรับมันได้ไหมรูป อ, อ er ่ะรูปมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเรียกว่าอันนี้จังรูปมันไม่สะดวกสบายตลอดเวลาเรียกว่าทุกข์ขังแล้วบังคับบัญชาให้เป็นไปตามต้องการเราไม่ได้เรียกว่าอนัตตาควจริงอนัตตาไม่น่าจะแปลว่าไม่มีตัวตนนะมันขัดแย้งกับความเป็นจริงอนัตตาแปลว่าบังคับบัญชาไม่ได้ควบคุมให้เป็นตามใจไม่ได้เรีว่าอนัตตา โทษแปลว่าเมื่เป็นไม่มีตัวตนเรามันรู้สึกขัดความรู้สึกเราเราเห็นตัวตนโทษเองทษโทษบอกบอกว่ารูปไม่ใช่ตัวตนรูปปางหน้าตาเวทนาไม่มีไม่ใช่ตัวตนก็ไม่มีตัวตนไม่มีตัวตนอย่างไรแต่มันปวดอยู่เนี่ยตัวตนมันปรากฏชัดๆบอกว่ามันไม่มีได้อย่างไรมันขัดกับความรู้สึกของเรานะแต่ถ้าบอกเออบังคับบัญชาไม่ได้นี่พอจะเข้าใจได้เออมันจะเจ็บก็บังคับมันไม่ให้มันเจ็บไม่ได้นะมันเจ็บแล้วจะไปบังคับไปมันหายทันทีก็ไม่ได้นะเออนี่เห็น ความเป็นหน้าตาชัดๆรูปบังคับมันไม่ได้มันจะแก่จะเจ็บจะตายเออมันเป็นหน้าตาให้เห็นชัดแต่บรูปไม่ใช่ตัวตวนนี่คิดอย่างไรมันก็ยังเป็นตัวตวนอยู่ดีนะนี่คือเรื่องของภาษาอันนี้คือทบทวนเรื่องรูปที่พูดในวันก่อนทีนี้มาดูเรื่องนามมั่งถ้าถามว่าใครเป็นผู้รู้รูปรูปรูตัวมันเองได้ไหม บอกว่าได้เอาคนตายรู้ตัวเองไหมเพราะคนตายก็มีรูปเหมือนกันเสานี่ก็เป็นรูปเหมือนกันเนี่ยมันรู้ตัวเองว่ามันเป็นเสาไหมมันไม่รู้เพราะอะไรเพราะไม่มีอะไรไม่มีนามแน่ทีนี้ไม่มีนามที่ไอ้คาว่านามเนี่ยคําว่ารูปเน่ยในจกักรวาลทั้งหมดอะไม่ว่าอะไรก็ตามที่เราสัมผัสผดได้ด้วยอ่ากา ย, ยประสาทนี่เป็นรูปทั้งหมด ไม่ว่ารูปนั้นจะใกล้จะไปจะหยากจะละเอียดจะลึกจะตื้นก็ตามมันก็ยังเป็นรูปทั้งหมดอะรูปที่มองเห็นรูปที่มองไม่เห็นขนาดความคิดก็ยังเป็นรูปเลยเ็าเรียกว่านามบรรูปความคิดเป็นนามะรูปไอ้สิ่งที่ไม่ใช่ความคิดไม่ใช่ความนึกคิดจะเป็นความรู้สึกเฉยเนี่แหละถือว่านามล้วนลวนะถ้าความคิดมีรูปอยู่ความคิดก็ยังเป็นไปตามกดของไม่เที่ยง เป็นทุกข์เป็นอนัตตา น, นะเห็นไหมเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าที่ไหนมีรูปไม่ว่าภายในภายนอกอยาบละเอียดลึกซึ้งที่นั่นก็ยังมีอนิจจังทุกขังอนัตตาตามไปถึงตรงนั้นแหละทีนี้ถ้าหากว่าเราไม่รู้เรื่องของมันมันก็จะเป็นอยู่อย่างนี้เมือ่อยๆไปเกิดต้นไม้ที่เราเห็นอยู่ทุกวันเนี่ยอายุมันเป็น ต้นมะม่วงเนี่ยที่เราเห็นทุกวันเยมันก็สืบทอดกันมาหลายพันปีนะในสมัยของพระพุทธเจ้าก็ต้นอัมพวันวัดอัมพรวันคือวัดมะม่วงอวัดต้นมะม่วงก็ยังมาสองสามเป็นปีทุกวันก็ยก็มีต้นมะม่วงอยู่เนี่ยเห็นไหมมันก็มีอายุกันมาทั้งนั้นน่ะเพราะมันสืบทอดกันมาเรื่อยๆรูปมันจะเป็นอยู่อย่างนั้นเราก็เหมือนมานั่งตัวนี้ไม่รู้เกิดมาแล้วกี่ล้านปีก็เป็นพ่อรูปเนี่ยทีนี้ถ้าเราทำลายเมล็ดมันไม่ได้นะ ทำลายเชื่อมันไม่ได้เราก็จะเกิดแก่เจ็บตายอยู่เนี้ยเรื่อไปเหมือนกันแต่จะเป็นรูปไหนเท่านั้นแหละดังนั้นเราจำเป็นต้องรู้ความเป็นไปของรูปของนามชัดๆทีนี้มาดูนามอะไรเป็นนามมั่งเวทนาก็เป็นนามสัญญาเป็นนามสังขารเป็นนามวิญญาณก็เป็นนามนทีนี้เรียกขันท่า เราเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าขันห้าแต่เรียกสั้นๆว่ารูปนามเนี่ยเรียกสั้นๆว่ารูปนามแต่เรียกยาวๆก็ว่าขันห้าเป็นจะขันรูปนามไม่เที่ยงรูปนามเป็นรูปนามเป็นนาณาตาขันห้าไม่เที่ยงขันห้าเป็นทุกขันห้าเป็นนาณาตาอันเดียวกันแต่ถ้าท่านแยกให้เห็นรายละเอียดว่ารูป ที่เราสัมผัสได้รูปครั้งที่เราเคลื่อนไหวเนี่ยลูกอะไรที่เราคลิกไปพลิมาเห็นไหเห็นลูกลูกเคลื่อนไหวไหมลูกเคลื่อนไหวนี่เป็นรูปของลมใช่ไหมที่เรานั่งได้เนี่ยไม่ล้มเนี่ยเป็นลูกของอะไรเป็นรูปของดินแล้วในตัวของเรามีเย็นแล้วอ่อนฟังเข็งตึงไหมเป็นลูกของอะไรเป็นรูปของไฟมีเย็นเนี่ยเป็นรูปของน้ำเนี่ยมันคือลูกย่อยย่อยลงไป แต่อันนี้ไม่ต้องไปคิดตามนนะให้รู้ว่าภาวะเนี่เราเราเราสัมผัสมันได้ไหมเย็นก็รู้สึกนามเป็นผู้บอกว่าเยน็นนั่งก็รู้สึกไม่สบายหนักหนุ <c oughs> แนแข็งทับเหน็บลิม ก, กินชาของเราเมันก็เป็นให้เห็นว่ามันไม่สบายมันเป็นทุกข์แล้วเราก็บรบัดมันไปเรื่อยๆ ทีวิธีบําบัดอย่างไรที่จะนามตัวริสิกิจะเป็นสติได้นามตัวนี้ถ้ามันเป็นสติแบบไม่มีวิชามันก็เป็นวิชาสติถ้าเราเปลี่ยนแบบมีวิชาก็เป็นสัมมาสตินามตัวนี้มันจะเป็นสัมมาสติตอนไหนสัมมาสติตอนที่เรารู้สึกตัวแล้วค่อยเปลี่ยนอ่า วันหนึ่งเนี่ยเราพลิกเราเปลี่ยนบําบัดทุกข้องเราเนี่ยตั้งแต่ตื่นนอนจนหลับเนี่ยกี่ครั้งเคยนับไหมลุกกี่ครั้งนั่งกี่ผลเหลวซ้ายกี่ครั้งเหลยวขวากี่หนไม่มีใครนับหรอกนะแต่ว่าเราไม่ต้องไปนับขนนั้นให้รู้ว่าเราพลิกเราเปลี่ยนเราบําบัดทุกเนี่ยรู้แค่นี้พอแล้วแต่คนไหนที่มีความละเอียดความนามละเอียดลงไปอีกให้รู้หลายหลายลักษณะ หมายความว่าไม่ใช่เปลี่ยนนะรู้ถ้าเปลี่ยนแล้วเนี่ยไอ้ความรู้สึกไม่สบายมันหายไปไหนดูก็ดีนคนอนั่งไปท่าใหม่สมมุติเอาเม่กนั่งท่าใหม่ปั๊บมันก็สบายนิดหนึ่งเดี๋ยวสักพักหนึ่งมันก็เริ่มเข้นขึ้นมาอีกล้ปวดขึ้นมาอีกแล้วปวดขึ้นมาเอาทีนี้ก็ดูมันอีกดูในสิ่งที่มันธรรมดาเนี่ยให้มันเห็นชัดๆเห็นความเป็นธรรมดาของมัน แต่ส่วนใหญ่เราไม่เห็นความเป็นธรรมดามันจึงไม่เห็นอนิจนนจังทุกของอาาังคําว่าธรรมดาเนี่ยเป็นคํารวมคําว่าอนิจจังทุกขังอนหนตาเป็นคํารวมคําว่าอนิจจังทุกขังอันตาคําว่าธรรมดานะเมื่อใดเราตัดคําว่าดาออกเนี่ยมันเหลืออะไรเหลือเรียกว่าธรรมถ้ามีสติเข้าไปรู้ความเป็นธรรมดาเมื่อไรไอดาตอวนั้นมันหายไปมันเหลือเป็นว่าธรรม ธรรมคืออะไรธรรมคือสติและสัมปชัญญะคือระลึกได้ว่าเออทุกมันเกิด อ, อย่างนี้นะมันดับอย่างนี้นะนี่ตัวที่น้ําเนี่ยถ้าหากว่ามันเป็นธรรมดามันเป็นสติแบบสัญชตาตญาณคือมายความว่าบดมันก็เปลี่ยนน้ําวมันก็ห่มผ้าร้อนมันอ็อาบน้ําหิวมันกินข้าว เราก็วิ่งไปตามที่มันรู้สึกนี่แหละอันนี้ก็เป็นธรรมดาของมันไอ้สติสนองตามธรรมดานี้เรียกว่าสัญชาตญาณสัตว์มันก็มีสัตว์มันก็หิวสัตว์มันก็หนาวสัตว์มันก็ร้อนมันก็วิ่งหาทางออกมันเหมือนกันมันก็เป็นธรรมดาของมันนี่เรียกว่าธรรมดาของรูปมันจะต้องเปลี่ยนไปแปลงแปลงไปตามนั้นแต่พอเรามีสติเข้าไปกำหนดรู้มีสัมผัสเข้าไปเห็นอาการธรรมดาที่มันเปลี่ยนอันนี้เราเรียกว่าทำทมนั้นคือสติ สัมปัญญะท่านบอกว่าสติสัมปัญญะเป็นธรรมที่มีอุปการะมากเป็นอุปการธรรมนะเป็นพระหูอุปการธรรมธรรมที่มีอุปการะมากอุปการะยางไรอุปการะตรงที่ว่าทุกครั้งที่เรามีการรู้สึกไม่สบายรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงไม่สบายเข้าไปรู้ไปดูไปเห็นขรื่องการเปลี่ยนแปลงเข้าไปดูไปรู้ไปเห็นเรื่ความเป็นทุกข์เข้าไปดูไปรู้ไปเห็นเรื่งความไม่ทนอยู่ไม่ได้ของมันเนี่ยเราเรียกว่าเป็น ตัววิปัสนาขึ้นมาสติสัมปชัญญะด้ยนั่นแต่มันกอให้เกิดวิปัสนาขึ้นมาตรงนั้นเลยเห็นไหมมันไม่ได้ลึกลับซับซ้อนอะไรนะแต่ว่ามันเป็นบัญญัติตามวิถีการมองของเราว่าเรามองว่าในความเป็นธรรมดาเนี่ยการเปลี่ยนแปลงมี2อย่างนะหนึ่งการเปลี่ยนแปลงแบบมีสติสองเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบไม่มีสติหรือมีสติแต่ว่าไม่ใช่สติแบบวิปัสนาเป็นสติสัมปชัญาะ ทุกสัตว์ทุกเกลตนมีหมดแม้แต่ยุงมันก็ยังมีเลยบางแรมันมาเกาะเราเดี๋ยวจะตกมันจะบินหนีแต่มันก็มีสติของมันเหมือนกันตัวไหนบินหนีไม่นานไม่ทันก็ถูกตกเนี่ยมันมีอยู่โดยสัญชาตญาณเป็นธรรมดาของมันเพราะฉะนั้นสัญชาตญาณของคนละสัตว์เหมือนกันอยู่สอย่างหนึ่งหาอาหารใส่ปากใส่ท้องทุกสัตว์ทุกเกลตุลคนทําเหมือนกันหมดสอง หาหวงหารังหาบ้านหา ร, หา ร, หารูหาที่อยู่อาศัยทุกสัตว์ทุกตัวตัว้วยคนรจะมีสามเมื่อมีภัยมาหลบภัยภัยหนาวภัยร้อนภัยหิวภัยกระหายเวลาหิวขึ้นมาก็หลบภัยด้วยการเข้าตัวเวลาร้อนขึ้นมาหลบภัยด้วยการเข้าห้องน้ําเวลาปวดหนักปวดเดาก็หลบภัยเข้ากันเข้าห้องน้ําห้องส้วมใช่ไหมภัยมันไล่เราต่อดเวลาแต่เราก็คิดจะหลุดหลุมขกหลบภัยแต่หลุมหลบภัยในห้องนอนเนี่ย ก็เป็นลุ es, plum, water, here, out, nak, ่งหลบภัยเวลามันอยากนอนขึ้นมาเข้าลุงหลบภัยก็ห้องนอนเวลามันหิวขึ้นมาเข้าหลุงมหลบภัยคือห้องครัวเวลามันร้อนมันหนาวมันหนักมันเบาขึ้นมาเข้าหลุงหลบภัยคือห้องน้ำเห็นไหเราสร้างลุงหลบภัยไว้ทุกของทุกแห่งแต่เราไม่รู้มันเป็นภัยภัยอะไรภัยคือความทุกทุกข์คือภัยใหญ่ของโลกแต่พูดถึงลุงมหลบภัยเรานึกถึงภาวะสงครามแต่เราก็อยู่ในภาวะสงครามเหมือนกันแต่เราไม่รู้จักสงครามเนี่ยเพราะอะไรเพราะเราอยู่กับมัน นานเหลือเกนเราจะไม่แปลกนะหลุมหลวงไพ่ตยงนี้เสร็จแล้วไอ้สุดท้ายที่มันเสมอกันคนกษัตริย์ก็คือมันรู้จักสืบเผ่าพันธุ์ของมันอ่าว่าฉันมีขึ้นมาแล้วฉันจะให้ตัวของฉันอยู่ต่อไปทำเนี่ยธรรมชาติก็บีบให้เราหาลูกหาขัวหาเมียก็วิ่งสืบพันธุ์กันอ่ากำได้ลูกได้ขัวขึ้นมาจะยากขนไหนทุกขนาดไหนก็ให้มีพันธุเอาไว้ ธรรมชาติมันบีบบังคับเราร่างกายขา้างในมันก็บีบให้เราสืบพันธุ์นั่เงหมือนกันก็คือบีบให้เราหิวอาหารเราก็วิ่งปีนสูบต่อร่างกายนี้เอาไว้นี่เพราะฉะนั้นธรรมชาติสี่อย่างเนี่ยอาหารส่ปากใส่ทอ้องอาหที่อยู่อาศัยสืบพันธุ์หนีภัยทั้งสี่อย่างเป็นธรรมชาติเหมือนกันหมดทีนี้ท่านบอกว่าถ้ายกทำออกเสียเนี่ยมนุษย์ไม่ต่างจากสัตว์สัตว์ไม่ต่างจากมนุษย์ถ้าจะ ต่างก็ตรงที่ว่าเอาธรรมดาออกไปให้มันเหลือแต่ธรรมสัตว์นี่มันไม่รู้จักธรรมแต่คนเนี่ยสามารถทําธรรมดาให้เป็นธรรมได้คือธรรมคือสติสัมมชั ญ, ญาสัตว์นี่สร้างสติชัญาไม่ได้แต่ค น, นสร้างได้นี้คนวิเศษกว่าสัตว์ตรงนี้ท่านบอกว่าถ้าคนไม่มาเจริญสติชัญานะนีคนไม่มีอะไรวิเศษกว่าสัตว์เลยบางทีออร้ายกว่าสัตว์อีกทำไมถึงว่าอย่างนั้นสัตว์มันเคยขค่มขืนฆ่ากันตายไหย สัตว์มึงเคยกินยานอนหลับไหมอ่าสัตว์มึงเคยรบราค่าฟันกันไหมอ่าไม่มีนะแต่คนมีอ่ ะ, ะเห็นปราวว่าถ้ามันไม่มีธรรมเนี่ยคนร้ายกับสัตว์แล้วสัตว์ที่มึงเคยสั่งสมระเบิดสั่งสมทําปืนเป็นไม่ทําปรมาณูเป็นไหมไม่เป็นทําลายโลกนี้ตัดป่าไม้ทําลายภูเขานี่ได้ไหมไม่เป็นเห็นไหมแต่คนทําเป็น นี่ที่มันร้ายกว่าสัตว์มันร้ายตรงนี้ดังนั้นท่านบอกว่าเอาพัฒนาธรรมขึ้นมาคนก็จะเหนือกว่าสัตว์ทันทีถ้ามันไม่มีธรรมแล้วคนไม่เหนือกว่ามันเลยนะถึงเวลาคนนอนหลับเช่วยเราถึงเวลามือไก่หน้าผากคิดทั้งคืนบางคนนะไม่ใช่ทุกคนนะสัตว์ไม่เคยที่นี่เป็นศิลปใคมันสร้างประโยชน์ให้เราสิแต่คนหลีกกระหังอยู่เต็มยันนี่ความวิเศษของเราอยู่ตรงไหนเ่ย ถ้าเราไม่มีทำดังนั้นมาณนะวันนี้มาณที่นี่เรามาสร้างทำตัวหนึ่งสร้างสติสัมปชัญญะสติสัมปชัญญะเป็นช้างเท้าหน้า อ, า ว, อาวิหิสาเป็นช้างเท้าหลังคือการไม่เบียดเดียนเป็นช้างเท้าหลังดังนั้นเองเราจะต้องเข้าใจพื้นฐานตัวนี้ให้ได้ว่ารูปคืออะไรรูปนี้ไม่ใช่เรารูปนี้มันคือ ที่ตั้งของอนิจังทุกข์ขันธ์นาฏาที่ตั้งของความเปลี่ยนแปลงที่ตั้งของความทุกข์ที่ตั้งของฟ้าที่ควบคุมไม่ได้บังคับบัญชาไม่ได้อันนี้คือรูปที่นินามนามก็อย่างที่กล่าวมาแล้วก็คือว่าเรารู้สึกรู้สึกนี่ก็หลายอย่างนะรู้สึกที่เห็นได้ชัดชคือรู้สึกอะไรรู้สึกถึงเวทนาสุขทุกข์สบายไม่สบาย นะหรือเฉยๆเนี่ยเวทานาตัวนี้มีประจําทุกตัวตนที่เราสัมผัสได้ง่ายๆคือเวทานาสบายไม่สบายที่สัมผัสได้แล้วก็ตื่นขึ้นมาปั๊บเนี่ยมาตื่นขึ้นมาต้องสำรวจตัวเองล้อย่างน้อยก่อนที่จะสว่างเนี่ยต้องถ่ายทุกอย่า ง, งน้อยให้มันตื่นสองครั้งไม่ได้ถ้ามันไม่ถ่ายไม่ได้ต้องไล่ให้มันถ่ายเป็นได้เพราะถ้าไม่ถ่ายวันนั้นถึงสองครั้งเช้าวันนั้นสองครั้งเราไม่สบายมันจะเพิ่มความไม่สบายกับเรา นะอันนั้นวิธีการดูแลรักษาร่างกายรูปนี้ให้มันอยู่ได้สบายเนี่ยอยู่ได้ปกติเพาะงั้นเถอะอยู่ได้ปกติไม่ทุกข์เกินไปไม่สุขเกินไปเนี่ยก็ต้องมีวิธีจัดการก็ต้องใช้ธรรมเหมือนกันทีนี้อล่ะทีนี้ธรรมที่เป็นที่รู้สึกได้ในขณะนี้คือนามที่เป็นเวทนาทุกขเวทนาสุขเวทนาอนทุทกมสุขเวทนา คือเวทนาที่พอใจไม่พอใจเฉย ๆ, ๆสุขทุกข์เราเฉยๆเนี่ยสัมผัสได้ตลอดเวลาใช่ไหมเพราะนั้นเวทนาจึงเป็นได้ทั้งรูปและนามรูปเนี่ยมันเป็นรูปประการเดียวแต่ว่าเวทนาเป็นได้ทั้งรูปทั้งนามคือหมายความว่ามันรูปนี่เราจะรู้ว่าเรามีรูปอะไรบอกให้เรารู้เวทนาถามว่าตัวนี้มันมีเวทนามนไหมไม่ตอนนี้มีเวทนานไห ม, ม ไม่มีเพราะมันไม่มีอะไรเพราะไม่มีนามแต่มันมีรูปแต่เราก็เป็นรูปอย่างมันเหมือนกันแต่ว่าทํำไมเรารู้เย็นร้อนอ่อนแสงตึงตึงเพราะอะไรเพราะเรามีอะไรเรามีนามนะนามนี่นเรียวกวความรู้สึกมีความรู้สึกเบื้องต้นที่สุดเรียกว่าเวทนาทีนี้ไอ้ตัวเวทนาตัวเนี้ยสมมุติว่าเวทนามันจัดจัดเวทนามมงแรงแรงเราทนไม่ได้เราเปลี่ยนไปอะไรบอกให้เราเปลี่ยน เนี่ยความรู้สึกประเภทที่ว่าสติสัญชตาตญาณมาแล้วสติสัญชตาตญาณมาแล้วตอนแรกมันมีความรู้สึกแต่ต่อทุกเวทนาอย่างเดียวนะอ่าเวทนาเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพอเวลามันเปลี่ยนไปมันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ร้อยทั้งร้อยมันเปลี่ยนไปในทางทุกข์เมื่อเปลี่ยนไปในทางทุกข์แล้วเราทนได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไไดทําไงเอาทํารมะมาจัดการเอาทํามะตัวไหนสติ สติแบบไหนสัญชตาตญาณนี่เบื้องต้นทุกคนเป็นอย่างนั้นหมด ม, มันสบายคิิกปั๊บนี่มีสติเหมือนกันนะแต่ว่าเป็นสัญชตาตญาณแต่ถ้าเรามาปฏิบัติที่นี่เราต้องเอาสติอีกชั้นหนึ่งสติที่เป็นปัญญาญาณก็คือก่อนที่จะคิดมันพรา อ, อะไรจริงๆถามตัวเองก่อนรู้จะถามตัวเองทุกครั้งอ๋อมันหนักมันหนักมากหรือหนักน้อยถามตัวเองเจะออกไป หนักมากหนักมากทนไหวไหมไม่ไหวไม่ไหวแค่ไหนขยับนิดหน่อยได้ไหมขยับนิดหน่อยลองดูขยับนิดหน่อยนหนักๆนีน่เบาไปนี่ลักษณะการมาอ่านตัวเองออกบอกตัวเองได้อย่างนี้เรียกว่าสติที่เป็นปัญญายาณแต่ก็ไม่ใช่ทำแป๊ดเดียวนะต้องทำครุกครั้งที่มันเกิด น, นะมันถึงจะเป็นปัญญายาณขึ้นมาได้ พอบอกให้ทําก็ทําเลยพอพอไม่ได้บอกก็ลืมมอนเดิมอันนี้อันนี้สัญญาเป็นเพียงความจําไม่ได้เป็นปัญญาแต่คนไหนฝึกบ่อยเข้าบ่อยเข้าบ่อยเข้าฝึกสัญญาตัวนี้บ่อยเข้าบ่อยเขาสัญญาตัวนี้จะแปลงเป็นปัญญาขึ้นมาทีนิดเียนิดเียวนิดเดียนิดและรวมปัญญาตัวนี้เองก็จะกลายเป็นญาณต่อไปถ้ามันชนิชานานมันจะเปลี่ยนยทุกครั้งมันรู้สึกตัวเรียกว่าเป็นญาณนะอันนี้หมายคว่าสติปัญญาญาณเกิดจากรูปนี้ให้ได้ใช่ก่อน ทำให้มันเกิดระดับรูปให้ได้เสียก่อนเพราะถ้าหากว่าเราขนาดมันเกิดกับรูปเรา ย, ยังไม่รู้เลยแล้วมันจะเกิดกับนามจะเกิดกับใจเราจะรู้ได้ไงดังนั้นการมาฝึกฝนเนี่ยมายสังเกตเพื่อให้เห็นความรู้สึกเปลี่ยนแปลงเนี่ยชัดๆตามลําดับจากทางกายเสก่อนรู้อริยสัจก็ให้รู้ทางกายไปเสก่อนเพราะเราไม่ใช่สติปัญญาสูงระดับพุธธทธะปฏิกรพุท ธ, ธแะแต่ต้องเรียนตามลําดับ เว้แนแต่พระพุท ธ, ท เ, ธกกเจ้าสมมาสมุทรปเจริญพระนันสั้นสร้างสมการรู้แบบนี้มาไม่รู้กี่พกี่ชาติแล้วแต่เราเพิ่งมาสร้างเอาชาตินี้หรือบางคนสร้างมาหลายชาติอาจจะรู้ไวเพราะสังเกตปะบางทีส อ, องสามวันรู้เลยบางคนที่สั่งสมมาน้อยหน่อยก็ยืดยาวออกไปบางคนปีนึงรู้อันนี้ก็สําคัญนะสิ่งที่เราสั่งสมมาดังนั้นเองตรงเนี้ยนามจะบอกเราว่าเรารู้ทำแบบไหนอ่ะ ทำที่สัมผัสได้ไหมทำที่สัมผัสเบื้องต้นที่สุดคือการบําบัดทุกข์โดยใช้สติระดับสัญชาตญาณคือไม่สบายปั๊บก็เปลี่ยนปับ๊บไม่สบายปั๊บก็ลุกไปปับ๊บปวดหนักปั๊บก็ลุกไปปับ๊บปวดบาปั๊บก็ลุกไปปับ๊บแต่วิธีการลุกลุกอย่างไรนี่ไม่ไม่ได้ไม่รู้อ่าเวลามันปวดหนักเบาเนี่ยหนักระดับไหนทนได้แค่ไหนตรงนี้ศีรษะเข้าไปในรายละเอียดไม่รู้เพราะอะไร เพไม่เคยได้ยินได้ฟังไม่ได้เคยรับคำแนะนําไม่ได้เคยใครไม่มีใครมาแจงแ้งรายละเอียดให้ฟังอย่างนี้มันเลยลึกไม่ได้แต่ถ้าหากว่ามีนมาแจง้งบอกรายละเอียดมันจะบ่อยเข้าบ่อยเข้าเนะี่ยมันจะ ล, ลึกบ่อยเข้าบ่อยเข้าบ่อยเข้ามันก็จะกลายเป็นดวงปัญญามากขึ้นเห็นความสําคัญพูดถึงเรื่องนี้เราอยากจะมีเรื่องแทรกนิดหน่อยนะเพื่อให้เห็นชัดเจนกว่านี้ว่า โยงกับพระเนี่ไปฟังทำพุทธเจ้าพอพระนี่ก็เรียกว่าตอนบวชเข้าไปในสมัยคร ข, ข้างหลังๆข้งพุทธการเนี่ยเมื่อได้ดวงตาเห็นธรรมเหล่พาพระรุ่นหลังๆเนี่ยก็ไปเปๆๆ็นบู้ชนนั่นแหละเพราะว่ามันเยอะคนนั้นก็อยากบวชคนนี้อยากบวชทั้งๆงที่แต่สมัยยุคต้นๆ น, น, นะคนที่จะพุทธเจ้าอนุญาติให้บวชจะต้องได้ดวงตาเห็นธรรมก่อนนะอย่างน้อยเป็นพระโสดาบันรู้จักรูปจั่งนามไปแล้วท่านบวชให้แต่ยุคหลังเนี่ยพอ สาวกขยายกว้างขวางมากขึ้นเนี่ยคนนั้นก็อยากบวชคนนี้ก็อยากบวชคนนั้นบวชมาก่อนก็เลยกันถึงไม่ได้รู้รูปนามก็มารู้ทีหลังก็ได้ที่พระรูปนี้ก็เหมือนกันก็ยังไม่รู้รูปนามแบบก็ไปบิณฑบาตบ้านโยมทุกวันทุกวันก็คุ้นเคยกับโยมดิไปเลยบิณฑบาตก็ทักถามคุยกันทีนี้ตัวเองก็เห็นเขาปฏิบัติตัวเองก็ยังไม่มีศรัทธาเอ๊ะเราก็ได้ฟังผู้ดีเจ้า พูดบ่อยๆว่าเราไปบินเท่าบาทฉันของญาติผู้โยมนี่เราเป็นหนี้เขานะเอาเขามาฉันเฉยๆเขก า, ากลาบอีกกันห่างถ้าหางแล้ไม่มีดวงตาเห็นธรรมนี่เราเป็นหนี้เขาตลอดบริโภคนี้ตลอดนะบริโภคก้อนเหล็กแดงตลอดน ะ, ะไปตรงนรกไหลกลกับไหลกันทีเดียวนะพุทธเจ้าพูดไว้อย่างนี้ตลอดพระองค์นี่ก็กลัวดิ่จะทําไงเราก็ยังไม่ได้ดวงตาเห็นธรรมไม่รู้ลูกนามเลยก็เลยบอกว่าเราไปบินเทบาทบาทบ้านโยมทุกวันเนี่ยเราก็ยังไม่มีธรรมะอะไรไปสอนอยู่ก็เลยเลวันหนึ่งเราสอนไม่ได้ก็ ให้พู้ที่เจ้าสอนเราไปชวนโยมที่นี่โยมไปฟังธรรมะ ก, กันเถอะอ่าอาจารย์ของฉันนะี่ยที่อยู่ที่นั่นเน่ยท่านเทพดีนะไปฟังธรรมกันอ่าโยมก็อ้ดีเพราะโยมสายบายทุกวันมีศรัท ธ, ธาแล้วก็พาโยมไปเพราะพาโยมไปก็ไปฟังวันนั้นพู้ทีเจ้าเทศเรื่องสิบประธานสีอย่างที่เราพูดกราตอนเช้านี่แหละพอเทศจบแล้วโู้พระองค์ที่ก็เกิดศรัท ธ, ธาประทับใจที่ฟังเราแล้วมายังไม่เกิดศรัท ธ, ธาเพราะอะไไม่ได้ตั้งใจฟังจริงจังฟังนิด ฟังเทศพ่อพระเดีขึ้นธรรมะเทศพระนี่หนีก่อนโน้นนะโยมก็จำใจจำใจต้องฟังอันนีไม่ทันแต่พระก็หลอยหนีไปกอมสององค์พอเทศพระเทศเสร็จนี่พระเหลือไม่กี่องค์เพราะฉะนั้นคนที่ไม่อยากจะฟังเทศก็คือพระนะั่นแหละเพราะอยู่จะยันชินนะทีนี้พระรูปนี้วันนั้นก็จำใจเนาะเพราะอะไรเพราะโยมมานั่งเป็นเพื่อนด้วยจะลุกหนกีก็อะไรเป็นนั่งฟังกับโยมแต่วันนั้นผู้ได้เจา้าท่านตรัสเรื่องสติปัฐานสี่แบบนี้แหละจนจบโยมก็คิด ไปทางมือพระเขคิดไปทางพระองค์งนี้ก็เกี้ยวหูวันนี้ทำไมพรพุทธเจ้าเทศเพร้อเลยกินะนะท่านเข้าใจตั้งแต่ฟังมาไม่เหมือนวันนี้เลยก็เลยวันต่อมาเข้าไปลาพุทธเจ้า ว, ว่าข้าพระองค์งอยู่กับหมูกับคณะนรู้สึกว่ามันผู้ครีดหมูม่คณะทําใจไม่ก็ได้อินทรียยังอ่อนอยู่ข้าพระพุทธเจ้าขอไปบำเพ็ญอยู่ในป่าสักระยะหนึ่งจนกว่าจะเข้าใจพุทธเจ้าก็อนุ ญ, ญาตก็แบกปวดแบก บ, บาดเข้าป่า โยมก็เหมือนกันโยมไปบ้านโยมก็เกิดประทับใจในธรรมะกันนเมื่อโยมก็คิดอีกแบบหนึ่งที่ว่าโอ้ผู้ที่เช่าบอกว่าปฏิบททัติธรรมเจริญสติที่ทำที่ไหนก็ได้ทําอะไรก็ได้นะทําแล้วให้รู้สึกตัวทําให้รู้สึกตัวตลอดแล้วศรัทธาคนสมัยนั้นมันไม่เหมือนสมัยนี้คนสมัยนั้นถ้าเขาจะทําอะไรเขาทําจริงๆนะเขาไม่ได้ทำเออตอนที่มาเนี่ยมีศรัทธาจริงๆแล้วกลับไปบ้านก็ลืมหมดไม่ใช่เป็นอย่างนั้นเราทั้งหลายก็เป็นอย่างนั้นโอ้จังตอนที่มาได้ตั้งใจทําจริงจัง แต่พอกลับไปบ้านเพราะว่าอันนั้นบ้างอันนี้บ้างลืมหมดไม่ได้ทํากลับมาปีหน้าตั้งต้นใหม่อีกกับางทีไปสิบงานยี่สบงานไม่มีการเปลีป่ยนแปลง เ, เลยเพราะอะไรไปตามเขาไม่ได้ตามศรัทธาทีนี้โยงคนนี้กลับไปบ้านเขาก็ไปตั้งแต่หยิบผ้ารู้สึกถูกพื้นรู้สึกก่อนที่จะเอาผ้าหยิบมาถูตรนี้เอ๊ะเอาผ้าไปนะ่ะหม้อน้ํารู้สึก สักผ้ารู้สึกบิดผ้ารู้สึกกับมาเช็ดพ่อเจริญสติตลอดเวลาจนกระทั่งเช็ดพื้นเสร็จไม่ได้คิดว่าเช็ดพื้นคิดว่ากําลังเจริญสติอยู่ทําอย่างนี้ทุกงานทุกนั้นมันก็เกิดทักษะเกิดความชํานาญเก็บผักหักพื้นเลี้ยงลูกเลี้ยงหัวดูแลครอบครัวเลยทําได้ตลอดปรากฏว่าสามปีผ่านไปพระองค์นั้นก็ออกจากป่ามาก็นึกถึงยม สาเหตุที่พระองค์ น, นี้จะออกจากป่าพเพราะอะไรเพราะเข้าไปป่าแล้วเนี่ยไม่มีครูบาอาจารย์ติตามดูแลก็ไปนั่งทําอานาป่าไปดูลมหายใจหายใจเข้าหายใจออกเนื่องจากว่าตัวเองเนี่ยอินทรีย์ยังอ่อนสติปัญญายังไม่กล้าแข็งแล้วไปเจริญกรรมฐานชั้นยอดเข้าคืออนาปนสติไปกําหนดลมหายใ จ, ยใจตั้งใจสติกําหนดลมหายใจขายหัวครับขายสายตั้งตัวตรึงดํารงสติมัน่นกําหนดลมหายใจเข้าออก อยู่อย่างนั้นอ่ะทุวีทุวันจนกระทั่งไประดับหนึ่งจิตมันสงบพอจิตสงบแล้วเกิดปรากฏการณ์ต่างๆขึ้นมามีลูกมีแสงมีอินพมยมราชเทวดาเห็นอะไรเกิดความภูมิใจทําอยู่นั่นก็ไปเห็นอะไรต่างๆละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นจึงกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยไปนั่งอยู่ใต้ต้นต้นไม้ในขณะนั้นบนต้นไม้มันเป็นเม็ด มันเป็นผลน่ะนกก็มากินกันดังเตียวกราวท่านก็เลยเห็นหน้าดูนกปากปดว่าโน่ไดตกกันมากราวเลยข้างหน้าโอ้ลิบเดชปฏิหนันนี่แรงพอแล้วเราเข้มแข็งพอภูมิใจแบกปดออกจากปากพอไปถึงวัดปั๊บก็ น, นึกถึงโยมคนนั้นเอ๊ะเราเป็นฝั่งทํากเคยโยมโยมทำกับเราสามปีเหมือนกันเนี่ยโยมจะเป็นยังไงบ้างเนอะพรุ่ง น, นี้เช้าตื่นแต่เช้าเลย เตรียมบาทไปไปบินเทบาทโยมก็เห็นพระ อ, องค์นั้นเดินมาแต่ไกลๆเพราะว่าบ้านอยู่ติดทางเห็นเออพระองค์นี้หายไปไหลายสองสมปีคงจะได้อะไรดีกลับมาเพราะฉะนั้นวันนี้ลองทดสอบหน่อยนะพอพระไปยืนหน้าบ้านปั๊บตามปกติพอพระไปยืนหน้าบ้านปับเนี่ยปกติก็คือรีบออกมาเสาบา่าใช่ไหมถามสารเสกสุขสุ ด, ดิบเป็นไงท่านวันนี้สบายดีไหมเนี่ยแต่วันนี้แปลกพอให้พระ อ, องค์นั้นยืนอยู่หน้าประมาณสักสินาทีได้ แล้วก็ค่อยถือขันข้าวมาใส่บาทในสิบนาทีนี้เกิดอะไรบ้างโอ้โหวิกิการเกิดขึ้นในใจพระรูปนี้เพราะมันผิดปกติเพราะทางบุตรไปยืนหน้าบ้านพปั๊บโยมทุออกคนมาใส่บาทใช่ไหมมาทักทายแต่วันนี้ไม่หอาให้ยืนอยู่งั้นนะจะหนีก็ดูกระไรอยู่ก็ยืนอยู่งั้นนะมุดไปมิดมาไอความตั้งใจอ่ะว่าจะไปบอกเรื่องนีโยมกระตือรือร้นมากแต่โยมกลับไม่ออกมาให้บอกใจก็ขุนขึ้นมาทันทีเลยนึ ด่ายมอย่างนั้นนึกไว้โยมนี่ไปวัดไปฟังธรรมด้วยกันจนป่านนี้แล้วเมื่อก่อนหนึ่งหนึ่งดีนะอันนี้ทำไมแย่ลงเนี่ยด่าโยมไปเรื่อยๆในสิบนาทีเนี่ยนะพอโยมใสบ่บาตรเสร็จโยมก็ถามมาไปีไงท่านหายไปไหนไหมถามตั้งหลายคำํำเท่าออนี้พูดไม่ได้เลยแน่นอยู่ในใจพูดไม่ออกโยมต้อ ง, งมองหน้าเลยทีท่านเป็นอะไรไปหักหน้าสีดหน้าเขียวดิความคิดมันบีบอยู่ข้างใน โยมก็บอกว่าเสียดายนะท่านเวลาสามปีผ่านไปตลอดเวลาสินาทีท่นมายืนหน้าบ้านฉันเนี่ยท่านด่าฉันตลอดเวลานาทีแรกท่านพูดอย่างนี้ใช่ไหมพโยมเป็นบรุษุสามปีเนี่ยโยมบรรลุธทําเป็นพระอนาคามีอ่านใจคนได้ปรากฏแล้อ่านความคิดดูพระองคนี้ออกหมดเลยนาทีนี้ท่านคิดอย่างนี้ใช่ไหมนาทีที่สองท่านคิดอย่างนี้ใช่ไหมนาทีที่สามไล่ไปแต่ละ น, นาทีป ร, กรากฏพระองค์นี้ยอมชิโรล่างหมด จะไปถามโยมด้วยนะโยมรู้ได้ไงอ้าไม่รู้ยงไงพุทธเจ้าท่านบอกให้ทำเราก็ทําตามพระนั่นเองพอทำตามมันก็เป็นเองไม่ต้องหวังไม่ต้องปรารถนาหนมก็เป็นเองแต่ท่านตั้งใจมากเกินไปโยมรู้นะท่านไปทําอะไรในป่าอยูมมองเห็นด้วยท่านไปทํานี้ใช่ไหมยอมรับหมดพระองค์ น, นี้ตกใจโอ้โหเราทําไมเป็นแบี้บอกว่าท่านอะได้เพียงโลกียฌานไอ้โลกียฌานเนี่ยพระชะติจูพระเทวทัตเขาทํากรรมานานแล้วเนี่ย เขาหลอกฆ่าพระเจ้าพิวิสารเขาทำร้ายผู้ริชาเขาใช้โลกิยชานนี่แหล ะ, อะโอ้โหเขานี้ตกใจทำไงโ ย, ยมโยมก็บอกไม่เป็นไรท่านทุกอย่างมันมีการผิดพลาดแล้วโยมก็บอกว่าเอานี้ท่านไปทำนี้นะโยมก็บอกทั้งหมดพระก็เทศน์ให้โยมฟังเลยตรงนี้เออเย โยมที่พระฟังไม่ใชใ่สอนพระทั้งหมดให้ไปทงนี้พระก็ทําตามไม่นานพระเอาหน้นก็เข้าใจธรรมะได้เหมือนกันเห็นไหมเนี่ยฟังด้วยการศึกษาด้วยกันแต่ไปคุรธรรมเลยพระก็แบกกดเละหลอนไปเรื่อยโยมก็ทํากับบ้านจับเรือได้เลยก็เหมืรู้สิบตัวมันต่างกันตรงนี้นะเพราะฉะนั้นเองเรื่องนี้ในราย ล, ละเอียดเรื่องนี้จึงอยากจะให้เข้าใจว่ามันไม่ใช่เรื่องลึกลับซับซ้อนแต่ว่าเป็นเรื่องเข้าใจไหม มั่นใจไหมในการกระทำเนี่ยในครั้งพุทธการไม่มีใครสอนเรื่องสถิประธานสีนอกจากสํานักของพุทธเจ้าร้อยแปดสำนักเนี่ยสอนแตกต่างกันแต่พุทธเจ้าท่านสอนเรื่องนี้แต่สมัยนี้สถิประฐานเรื่องเดียวเป็นไงสอนก็เป็นพันๆสํานักแล้วเราจะเชื่อแบบไหนว่ามีใช่หรือไม่ใช่อันนี้คือความยากของยุคสมัยนี้ยุคสมัยนั้นมีสํานักเดียวอยากจะฟังเรื่องเนี้ยไปหาสํานักพรพุทธเจ้า อ ย, อย่าไปเครื่องลังของขังไปสำนักนี้อย่าไปเรื่องวิเศษนิโสไงสำนักนู้นอย่าไปเรื <pound> ่องคาถาไปสำนัก <Okey> น <mon> okay, <men> ี <IN> ้อย่าเรื่องดูเดือนดูดาวไปสำนักนี้เขามีเลือกสำนักให้ไปแต่ถ้าจะรู้เรื่องสติปัฏฐานสีต้องไปสำนักอุทิเจ้าแต่สมัยนี้สอนก็ได้บมดสติปัฏฐานสี่ฉันก็สอนได้หมอดูเฉันก็สอนได้อ่าแล้วก็เลือกเลือกดูยามก็สอนได้เลือกขางศักดิ์สิทธิ์ฉันก็สอนได้ทำพระทำเหรียญฉันก็สอนได้ทีนี้โยมจะเอาอย่างไงนี่คือความยากของปัจจุบันม่นสับสนอ่ะนะ พอในในคำพูดการพอฟังบางทีธรรมะฟังธรรมะกันเดียวคนบรรลุธํามเลยเพราะว่าท่านสอนเรื่องนี้เรื่องเดียวอ่าแล้วก็สอนสํานักเดียวด้วยแต่สมัยนี้ไปสํานักไหนก็สอนกันได้ทั้งนั้นถูกผิดไม่สนใจได้สอนเนี่ยพระเนี่มาปฏิบัติไม่ตั้งใจไปสอนโยมนะไม่ได้ตั้งใจว่าจะไปจะออกจากทุกข์นะเอออามาก็เคยเป็นอย่างนั้นเออจะพูดอย่งท่านผู้อย่างท่านได้อย่างไงนะรู้สึกคล่องดีเลือเกินอยากจะพูดอย่างท่านบ้างก็ไปเรียนไปจำอ่ะพูดได้เหมือนกัน นี่ดวงตาคตตนหนตี้ตายไปแล้วพูดเหมือนอย่างอาตมาได้พูดได้ทุกอย่างเลยนะพูดนโยมฟังเนี่ยเหมือนทุกอย่างเลยพวาเกยฟังเทปอาตมาไปร้อยๆครั้งอคำคนเดียวก็จะไม่ไดไ้แต่ว่าพอถึงเวลาตายนะเสียสติเพราะมันไม่เป็นจะเป็นจำเราอันนี้คือลักษณะของนักบวชเราปัจจุบันเราแก้ไขยากด้วยนะดังนั้นในวิธีการนโพุทียนนั้นไม่ใช่การจำไม่ใช่การจดจำแต่เป็นการสัมผัส ของจริงๆเนี่ยด้วยความจริงใจด้วยความตั้งใจและด้วยความเข้าใจแล้วเกิดมีในตนแล้วเอาไปพูดไม่ใช่จํามาพูดเออหลวงพ่อท่านพูดนี้เอาตามังเนี่ยเสร็จเลยองนั้นฆ่าตัวเองเลยรักของเขาหลวงพเห็นเน้นเลยเมื่อก่อนมาฟังหลวเห็นแล้วก็วสับสนเหมือนกันนะฆ่าสัตว์หนึ่งรักของเขาหนึ่งพดอูพูดอุดดตริไม่มีในตนหนึ่งทําร้ายพุทธเจ้าหนึ่เป็นาราชิก สมัยก่อนท่านภาษากลางเขาเจะว่าปารายซึกนะหลวงพเทียนเป็นปรายซึกไอ้รักของเขาในที่นี้เราก็ฆ่าสัตว์หนึ่งก็ไอ้เราก็คือไปฆ่าคนฆ่าสัตว์เลยนะแต่ว่าฆ่าสัตว์ในความหมายของท่านคือฆ่าศรัทธาฆ่าสัจจะไม่ได้ฆ่าสัตว์่าฆ่าศรัทธาของตัวเองฆ่าสัจจะของตัวเองนี่ฆ่าสัตว์อันนี้เป็นบาปมากท่นว่านะฆ่าสัตว์ข้างนอกนูนก็บาปเหมือนกันแต่ไม่มากหรอก แต่ค่าศรัทธาที่มีอยู่ในตัวเองเนี่ยไม่ศรัทธานในตัวเองเนี่ยไม่ศรัทธานในการกระทําของตัวเองไม่ตั้งใจปฏิบัติแล้วตั้งศัจจ า, าว่าเวลาเข้ามาวัดเนี่ย เ, เวลารับผ้าใจจากอุปช่าว่าอีมังกาสาวังกเตศวานิพานาสชิกเ ร, รัทฐายะเอากังกาสาวังบอกว่าข้าพเจ้ารับท้าเนี่มาบวชเพื่อกระทําพระนิภัานให้แจ้งแต่พอมาเข้ามาบวชจริงๆแล้วไม่ได้ทํานิพัณฑ์ให้แจ้งเลย ไปหาลาภสกัลละหาชื่อหาเสียงหาล้ำหารวยไปนู่นเลยอันนี้คือค่าเสียใของตัวเองนี่เขาเราเป็นบาปมากไงดังนั้นเองเรจะเห็นว่าคําสอนของวัฒน์เทียนทุกฟังให้ดีนะรักของเขาหนึ่งเป็นประเล็กซึ่งเราคือนึกแต่รักเงินรักของรักเข้ารักของรักแต่ห้ามาสูขึ้นไปใช่ไหมแต่โวัฒเทียนท่านไม่ไหวงั้นรักของเขาคือรักคําพูดของเขารักจําเอาไปพูดเอาคําสอนพระเจ้าจําคําสอนพระนเรศวเศมาสอน จำคำสอนผู้เจ้าไปเทศไปสร้างชื่อเสียงธรรมหากินแต่ว่าคําสอนของผุ้ดเจ้ายังไม่ได้ปรากฏในตัวเองเลยอะตัวเองยังไม่ได้ผลตามที่เราจําเราสอนเลยอะนั่นก็เลยรักคาสอนของูุดีเจ้าโอ้โหมาฟังแล้วตกใจเลยเราก็ทํอยางั้นมาตั้งนานดิเนี่ยเป็นพระนักเทศนักสอนนักจุดนักจํานักเรียนนักรู้ตกใจเพราะนั่นเรื่องนี้จะมีอะไรลึกแน่รักของเขา ในคําสอนของของพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าให้เอาไปทําไปพิสูจน์ให้เกิดมีในตนแล้วพิสูจน์ได้อย่างไรธรรมะแท้เป็นสิ่งเดียวกันใครจะพิสูจน์ก็ตามที่บูรุษพยนท่านบอกธรรมะแท้เป็นสิ่งเดียวกันใครจีนฝรัง่งอังกฤษท่านอ้างเสมอแหะใครจะเป็นจีนฝรัง่งอังกฤษอเมริรรรนนกาเขมรยนลาท่านพูดอยู่บ่อยบ่อยเทพทุกม้วนแทบทุกม้วนท่านจะพูดถึงเรื่องนี้ใครพิสูจน์แล้วออกมาเรื่องเดียวกันคือเรื่องรู้สึกตัวแล้วไม่ทุกข์ แต่ถ้าหากต่างออกไปทีนี้ไม่ใช่เนี่ยคําสอนของท่านเสร็จแล้วเรายังไม่ได้พิสูจน์ในความรู้สึกตัวบรรดับพุกได้อย่างไรเพียงแต่จําแล้วไปสอนความรู้สึกตัวดีอย่างน่นาโยงพอรู้ความรู้สึกตัวดีอย่างนี้โยงล้วก็สอนไปสอนไปแต่ว่าในกิเลสในตัวเองนี่เต็มตัวเต็มหัวเลยไม่รู้ตัวนะนึกว่าจําได้แล้วก็ไปทำมาได้แล้ว และนักเรียนทั้งหลายเรียนตั้งแต่ประเรียนหนึ่งสองามไปถึงปีเรียนเก้าไต้องเรียนอีกกรรมฐ า, านนะอะไรก็รู้หมดแล้วเรียนอนะพิธรรมจบมาพูดได้หมดแล้วเทศได้หมดแล้วแล้วไปเรียนอะไรอีกอะนั่นแหละตกนรกอะ่ะอามาก็เป็นประเรียนตกนรกกมา่ก่อนนะแต่หลังจากมาฟังของพ่อเทีย น, น, นไม่ใช่เนี่ยได้ความช้าอาตมาช้าถึงสิบปีนะถึงจะเข้าใจเรื่องนี้ชัดอะ่ะก็อะไรเพราะไอ้สิ่งที่จํามาจดจํามาเนี่ยเอามาทำเอามาพูด อามาคิดโดยที่ไม่มีในตัวเองพอมาเจอหลวงพ่อเทียนแล้ไม่ใช่เสพเมถุนหนึ่งยิ่งหนักข้นไปอีกเสพเมถุ น, นก็นึกว่าพลาดเลยไ ป, ไปมีแม่ออกไปนอนกระสีกายเสพเมถุนแล้วนึกถึงอย่างนั้นแต่คนจริงหลวงพ่อเทียนไม่ใช่เสพเมถุนคือเสพความคิดความคิดไม่ดีเนี่ยเสพกับมันไปเสพความคิดต่างๆไปเสพกันไปอยู่กับมันนั่นไปเสพโอ้โหแล้วเราก็เป็นเมถุนตลอดเลยทีงนะี้น่ะ แต่คิดในเรื่องดีเสพดีก็ดีไปแต่ส่วนใหญ่มันคิดเรื่องไม่ค่อยดีอะ่ะใช่ไหมอ่าอันไหนไม่ชอบคีดแต่เรื่องนั้นอันไหนสังคิดว่าไอ้เสพไม่ถูกอย่างนี้แม้แต่ชาวบ้านก็ต้องเป็นนี่เดี๋ยวเพราะฉะนั้นคําสอนของท่านนะเรื่องศีลธรรมาพูดในแง่ปรมามัดหมดท่านไม่ได้พูดในแง่ของสมมติในสังคมอ่าแล้วก็พูดอุตริมอุตรอุตริมร ม, มนุษยธรรมที่ไม่มีในตนหนึ่งแน่อันนี้ก็ยิ่ชัดว่าตัวเอง ไม่รู้เขาบอกว่ารู้ตัวเองไม่เห็นก็อบอกว่าเห็นตัวเองไม่เป็นก็อบอกว่าเป็นตัวเองไม่ใช่ก็อบอกว่าใช่เนี่ยโวดอุตรีแล้วระดับไหนก็ตามแลว้วเป็นการฆ่าตัวเองแล้วทีนี้แล้วพระกรรมฐานส่วนใหญ่ก็เป็นเช่นอย่างนี้เนี่ยน่าจะไปรอดได้ยังไงโอ้โหมาฟังมันเราก็ชอ็อกกันเอาละตั้งแต่นั้นนะตั้งแต่นั้นตั้งใจเลยทิ้งข่าของนักปฏิบัติให้หมดทิ้งข่าของนักกรรมฐานให้หมดทิ้งข่าของนักเรียนนักด้วให้หมดทิ้งค่าของนักบวชให้หมด ให้มันเหลือแต่ตัวรู้สึกล้วนๆแล้วมาทำโอ้โหจะเข้าใจก็นานเหมือนกันนะเพราะอะไรเพราะมันอยู่ในความคิดตลอดอ่าโอกาสที่จะออกมาความคิดมันยากนะอยู่ความคิดตลอดจนกระทั่งว่าโอา้มันท้อเราผมไม่มีวาสะนาะบา ร, รมีทํากรรมมาเยอะทําเท่าไหร่ก็ไม่รู้ทําเลยก็ไปอยู่ในความคิดทําก็แล้วก็ไหลก็ไปอยู่ในความคิดมันมีอยู่วันหนึ่งคิดอย่างนี้เอาละ่ะต่อไป ทำจะรู้ไม่รู้เราไม่ต้องการเอาแต่ว่าทำแล้วบูชาพระพุทธเจ้าเผื่อว่ามันไม่รู้เราก็จะได้ไปสร้างสมต่อไปในชาติหน้าว่างานคิดอย่างนั้นน่ะทําเนี่ยชาตินี้ทําบูชาพระพุทธเจ้า ก, ก็พอแล้วพอวางความคิดอย่างเนี้ยหลังจากนั้นทําแล้วมันมันเป็นนะมันรู้อ่ะเห็นไหมเพราะตอนหน้ามันจะเอาจะเอาจะเอาจะเอาจะรู้จะรู้จะรู้ยิ่งจะเอาอยู่มันไม่ใช่พเพราะมันเป็นตัณหาหมดแม้แต่ในทางดีมันก็เป็นธรรมะ อ่าเป็นเป็นตันหานะเป็นธรรมะตันหาเนี่ยอ่าเป็นธรรมะตันหาเพราะฉะนั้นทำแล้วต้องไม่เอาทำสัจธรรมรู้สัตธรรรู้มันถึงจะเป็นไปได้แต่ไอ้ที่นี้มันนิสัยของเรามันจะเอาจะเอาจะเอาจะเอาเนี่ยมาตลอดไม่รู้กี่ครักี่ชาติผิดกันผิกันมันกลายเป็นนิสัยของเราจะทำเรื่อหลมันจะเอาเมื่อนั้นเราต้องฝืนไอ้ความรู้สึกแบบเนี้ยไม่ใช่ของง่ายๆเลยมาฝืนนิสัยของเราเองเนี่ย ก่เป็นอย่างนี้ก็ทำมาโอ้มันเป็นอย่างนี้นะเห็นไหมดังนั้นเองพอหลังจากฟังขลงพ่อมาแนี้แล้วก็เลยนามัธยวังตั้งใจปฏิบัติดังนั้นความรู้สึกตัวที่เป็นนามพวกมาประเด็นเดิมนะความรู้สึกตัวที่เป็นนามเมื่อเบื้องต้นที่เป็นรู้สึกที่เป็นเวทนานั้นไม่ใช่สติแต่เวทนาเป็นที่ตั้งของสติ ดับแรกคือสติสัญชาติญาณเมื่อมีอะไรมีภัยเกิดขึ้นเวทนามันบอกเราเรารู้ว่าเรามีรูปเพราะเวทนามันบอกเรา <c oughs> นะเพราะเวทนาในะส่วนหนึ่งเป็นนามส่วนเป็นรูปนะส่วนทีรู้เพราะมันแสดงการปรากฏชัดตอนปวดเนี่ยมันเป็นรู ป, ป, ร, ป, ป, ร, ปรูปของการปวดขาพราะมันอาศัยขาเกิดถ้าไม่มีขารูปปวาปวดขามันก็ไม่มี แล้วรู้ว่ามันปวดขานี่มันเป็นนามสัญชติยานรู้ว่าประกับฉันปวดถ้ารู้ว่าฉันปวดขาแล้วก็เปลี่ยนไปนี่เป็นความรู้สัญชาติยานแต่เมื่อไหร่ว่ารู้ว่ารูปมันปวดขาเอารูปมันปวดไม่มีขามันมีแต่รูปตัวมันร้อนมันมีแต่ตัวมันมีแต่รูปมันไม่ไม่ใช่ตัวเราให้รู้อย่างนี้อ๋อเมื่อรูปมันไม่สบายต้องรักษามันอ่ะเพราะรูปไม่ใช่ของเรา รูปยืมพ่อแม่เขามาเกิดยืมปู่ย่าตายายมาเกิดเมื่อยืมเขามาเกิดแล้วเราต้องไม่ทําร้ายเขาน่ะต้องรักษาเขานี่แล้วเอาธรรมที่เราฝึกเนี่ไปรักษาถ้าคนไหนจะเอารูปมาเป็นธรรมแล้วเสร็จเลยรูปมันก็เป็นรูปอ่ะรูปมันเป็นธรรมไม่ได้แต่รูปเป็นที่จ้งของธรรมได้อ้าทําไมว่าอย่างนั้นอ่ะรูปเป็นที่จ้งของอนิจจังทุกขังนัาตาได้แล้วก็สามารถอาศัยรูปนี่แหละทําให้เกิดความรู้สึกตัวได้ อันนั้นก็พัฒนาตัวสติสัญชัยยานให้เป็นสติปัญญายาณขึ้นมาด้วยการวิธีเห็นทุกมันเกิดขึ้นทุกมันตั้งอยู่ทุกมันดับไปแล้วก็เปลี่ยนเกิดขึ้นใหม่เป็นดารร็อกระร็อกอนี้เพราะอะไรเพราะมันเป็นอนิจจ์รูปเนี่ยมันจะเป็นอนิจจ์ทุกขังนัตตาตลอดไปไม่สามารถจะทําให้เป็น อ, อยู่เนืออนิจจ์ทุกขังนัตตาได้แต่นามคือความรู้สึกตัวเนี่ย เข้าไปรู้อนนี้จังทุกขังหน้าตาตัวนี้อยู่เนืออ น, นิจังทุกขงาาังหน้าตาเนี่ยอยู่เนื้อนิจังทุกขังหน้าตาแทนรูปอันนี้รูปปวดนี่ถ้าไปไ ป, ปรากฏกับจิตเช่นเพราะว่าปวดใจไม่สบายใจเสียใจเศร้าใจหนักใจรูปเข้าไปแล้วรูปเข้าไปปรกากฏเลยลักษณะที่ใจมันไปอยู่เขาเรียกว่านามารูปตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นทุกแบบอริยสัจ แต่ถ้าทุกแบบที่เราทุกทางกายทางรูปเนี่ยเขาเรียกว่าทุกสภาวะทุกมันเป็นสภาวะอันหนึ่งเป็นไปตามเป็นจฉาทุกข์ของนันตาเรียกว่าสภาวะทุกนะแต่ว่าพอไปปรากฏกับจิตรูปที่ไปปรากฏกับจิตมันก็เป็นทุกเหมือนกันแต่ทุกที่ปรากฏกับจิตนี้เราไม่เรียกว่าสภาวะทุกเราเรียกว่าทุกข์ขั์มันแก้ยากทุกแท้เลยเนี่ย ไอ้ปวดขาเราแก้นี่มันไม่ยากแค่พลิกมันก็หายแล้วแต่เวลาปวดใจขึ้นมาพิกไม่รู้กี่หมื่นกี่แสนครั้งหายไหมนอนกายหน้าผ่าที่แล้วทีดมันไม่หายเนี่ยเห็นไหมทุกแทเพราะมันหายยากแต่ทุกที่มันหายง่ายเขาเรียกว่าทุกเทียมทุกทางกายเนี่ยเป็นทุกเทียมเพราะมันแก้ไขได้ง่ายมันไม่ใช่ทุกแท้ถ้าสมมุติว่าทุกว่อ๋อหมอบอกว่าฉันเป็นมะเร็งเนี่ยคิดอยู่นั่นแหละคิดว่าฉันเป็นมะเร็ง ไอ้ความคิดว่าฉันเป็นมะเร็งนั่นแหละคือตัวมะเร็งแท้ไอ้ตัวที่ร all ูปมันเป็นมะเร็งไม่เป็นมะเร็งเทียมเดี๋ยวหมอรักษาก็หายแต่ใจที่มันคิดว่าฉันเป็นมะเร็งไอ้ตัวนี้แหละคือมะเร็งแท้แหละเขาเรียกว่ามะเร็งทางอารมณ์แล้วมะเร็งตัวนี้ต่างหากที่มันทําให้เราทุกข์ไอ้มะเร็งทางกายนี่เขารักษาได้แล้วทุกวันไม่ต้องกลัวแต่มะเร็งทางจิตเนี่ยที่มันเป็นจิตที่มันคิดร้ายจิตที่มันเป็นเรื่องร้ายๆเนี่ยคิดเรื่อไร้ายบ่อยๆกลายเป็นมะเร็งเขาบอกว่ามันเป็นเนื้อร้ายใช่ไหม จิตเป็นมะเร็งคือจิตที่มันร้ายเนี่ยเขาเราียกว่าใจร้ายใจในี่คิดในสิ่งที่ไม่ดีนะแล้วก็เรื่อจิตมันเป็นมะเร็งแล้วก็รักษายากเลยนะอ่าต้องเอาอะไรอ่ะกินยาอะไรบ้างที่จะให้จิตมันมหายคิดไม่ดีเนะี่ยมียายกินไหมไม่ใช่ไม่มีนอกจากใช้ยาสามขนาน <c oughs> คือพุทธโอสถธธมโอสถสังฆโอสถ ยาสามขนาดเนี่ยเป็นยาของพุทธเจ้าพุทธเจ้าเป็นแพทย์ใหญ่ของโลกพุทโอสฐ์ไม่ใช่ว่าเอาพระพุทธเจ้าไปบูชานะถวายพุทธเจ้าแล้วโลกมันเล็งจะหายไม่ใช่องั้นนะแต่ดีนี้เขาเห่อกันพวกที่มันทําแท้งทั้งหลายมันตัวบาปนี่นพระก็ขู่เลยมันต้องไปสร้างพุทธลูกถวายวัดนะมันถึงจะหายบาปนี่มันทําแท้งไงโอ้โหพระก็รับกันเล่เลยรับไม่หวั่ไม่ไหวหน้าพระไม่มีที่ตัง้งแต่ที่นี่ดีอย่างนี้มีสององค์นะบางวัดนี่ไม่มีที่ว่าเก็บเลยนะองค์นั้นคนนั้นก็นมาเพราะอะไร เพราะพระเกจิอาจารย์ไปบอกว่าเนี่ยถ้าคุณไม่ทําพุทธรูกถวายพระหรือคุณไม่ไปบวชพระนี่นะเขาก็บอกถูกนะแต่มันผิดเขาคนนึ้บอกพระพุทธรูกพุทธะแปลว่าอะไรนะเจดสวดแปลว่าอะไรนะพุทธะผู้รู้ผู้ตื่นผู้บิกบานาพระไม่ใช่ทองคําพระพุทธไม่ใช่ทองคําพระธรรมไม่ใช่บาลานหนังสือพระสูงก็ไม่ใช่ลูกหลานชาวบ้านที่มา โกลผมห่มพระเหลืองบวชอันนี้ไม่ใช่พระสงฆ์นะเขาเรียกเป็นสมมุติสงฆ์นะสมมุติปิสงพระ อ, อริยสงฆ์ก็ทุกคนเป็นอริยสงฆ์ได้อสังฆานี้มีคุณสมบัติอย่างสววา่ ว, สส ว, วนทุกวันไม่เฮียงสุปฏิปันูพระกวัตโตสาวะสังโฆส่วนทุกวันแต่ตีบทไม่แตกอุชุปฏิปนูพระวตัตโตสาวกสังโฆ ญาญาปฏิปปโนพกักบตรโดยสาวว่าสามีีปฏิปปโนพกักบตรโดสาวว่ี่อย่างนี้ยมทําได้ไหมถ้ายมทําได้ก็เป็นโยมเป็นสงแลเป็นสังฆะล่ะสังฆมีสี่ลูกก็คือสี่อย่างสังฆด้วยคุณธรรมสี่อย่างเนี้เกิดขึ้นในใจใครทําได้จริงคนนั้นเป็นพระสงฆ์ไม่ใช่เป็นพระสงฆ์ธรรมดาเป็นอริยสงฆ์ด้วยแต่ถ้าแม้แต่พระสงฆ์โกนผมผมผ้าเหลืองถ้าไม่มีคุณธรรมสี่อย่างในใจเรียกว่าลูกหลายชาวบ้านมาผมผ้าเหลือง อันตรายต่อคดีศาสนานะเพราะฉะนั้นคนโกนผมก็มเหลืองนี่แหละจะทำศาสนาเสียอมทุกวันถ้าไม่มีคุณธรรมสี่อย่างนะสูบปฏิปโนปฏิบัติดีด้วยกายด้วยวาจาและด้วยใ จ, ใยใจอุชุ ป, ปฏิปัโนปฏิบัติตรงด้วยกายวาจาใจยาญาปฏิปโนปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหาของตัวเองทั้งกายวาจาใจสามีจิตปฏิปโนปฏิบัติเพื่อให้รู้ตึงเบิกบานทั้งกายวาจาใจ เร็วปฏิบัติสมควรง่ายไหมเป็นพระสงฆ์แบบนี้โอ้โหไม่ง่ายเลยนะไม่ง่ายเลยนะดังนั้นการที่เราจะเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาเป็นยาพระพุทธพระสงฆ์รวมแล้วเป็นหนึ่งเดียวกันแต่แยกตามสมมุติไป็สามอย่างพระพุทธไม่ใช่ทองคําพระธรรมก็ไม่ใช่เบราพระสงฆ์รู้คือพระพุทธตื่นคือพระธรรมเบิกบานคือพระสงฆ์ รู้ตื่นเบิกบานคือพระพุพทธพระธรรมพระสงค์ในแง่ของปรมัติษในแง่ของสมมุติก็พระพุทธคืออย่างนี้แหละคือทองคําเอาอะไรมาปัน้ปนเขาเป็นพระพุทธตอนแรกก็ดินอยู่กลางทุง่งเหยียบทุกวันไม่มีความหมายอะไรพอมาไปปั้นไปก็รู้ว่าใครมาเหยียบไม่ได้นะทีนี้ไปเหยียบเลียกเป็นเรื่องเลยนะใช่ไหมแต่กงจริงดินที่เราเหยียบมาทุกวันไ ม, ม่เป็นเรื่องเป็นราวอะไรใช่ไหมนี่เขาเรียกว่าสมมุติมันมีบทบาทต่อเรา ไม้อยู่ในป่าพุาาทธหลวงพ่อเห็นไม้อยู่ในป่ามาแกะเป็นรูปพระกราบทุกวันแต่ไม้บางทีเราไปนั่งไปนอนไปเหยียบเล่นทุกวันแต่พอมาแกะเป็นพระกาบได้ทุกวันแล้วมันอะไรนี่เราเรียกว่าเราไม่รู้จักสมมุติน่ะไม่รู้จักสมมุติมีอยู่ครั้งหนึ่งเรื่องแซกนิดหน่อยอในแพทย์หมอวัฒนานี่แกเล่าเองนะเมื่อก่อนหมอวัฒนาลูกศิษย์ของพ่อเนี่ยเล่นพระหูไปที่ไหนแกบอกว่าบรรจุเขาเป็นแพทย์ครั้งแรกอยู่ที่สุโขทัย ไอ้สูโฮไทยเป็นดินแดงของพระเครื่องใช่ไหมเวลาคนป่วยคนไข้มาหาแกก็พระเครื่องมาฝากทีนี้ไอ้แกยังไม่มีความรู้เรื่องศาสนาเลยสมมติก็ติดพระเครื่องทีนี้ต่อมาก็มาพบหลวงพ่เทียนแกก็เอาภระเครื่องมาดูหลวงพ่เทียนดูบรรยายสาธรรยายพระเครื่องรุ่นนี้ทำํำเลยอันนี้พระเครื่องรุ่นนี้ทำเป็นดินเท่านี้มีโยงหนึ่งแกชอบมากทําเป็นเนื้อมาขามเปียกแล้วก็ดินที่เอามาทำเนี่ยเอามาจัดสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ อดินเนี่ยเจ็ด้อยปีแปด้อยปีแล้วหลวงพ่อเป็นไงพระรูนี่หลวงพ่อดูหลวงพ่อบอกวหลวงพ่อก็ดูยิ่งในะยังไม่พูดเดูไปดูมาหมอหมอเข้ามานี่เดินผ่านอะไรมาบ้างนี่ยสัเดินมาเพิ่งดินเนาะ่อดินที่หมอเหยียบเนี่ยมันกี่ปีแล้วบ้หมอสักได้เสถีดินที่หมอเหยียบเข้ามาเป็นละล้านปีนะแต่ดินที่หมอหมออวตารพระแค่เจ็ดร้อยปีนะอันไหนมันสักสี่ตัวกันเนาะ หมอวัฒนางงเลยเ อ, เอาพระออกจากคอได้เลยตั้งแต่วันนั้นมานะฮะดินที่มาทํารรมไแค่เจ็ดร้อยปีนะแลดินที่หมอเหวี่ยงมาเนี่ยมันเป็นล้านล้านปีนะหมอไหนมันมันน่าบูชากว่านั้นเลยไม่ศักดิ์สิทธิ์เท่ากันหว่า ง, งั้นนี่คือเปิดตาที่ถ้าเราไม่มาสศึกับฟังไม่มาสนะื่อารมันก็ไม่มีใครเปิดตาเราก็ไม่รู้ความจริงเนะี่ยดังนั้นตัวนามคือตัวสติที่เรากําหนดรู้เนี่ยเป็นนามล้วน แต่ถ้าหากว่านามตัวนี้มันไปเป็นความคิดมันเป็นนามมารูปมันไม่ใช่สติแล้วนามเนี่ยมันเอื้อเหมือนน้ำนั่นแหละรูปก็เหมือนดินนั่นแหละนะน้ำเนี่ยมันแปลสภาพในทุกอย่างเป็นร้อยอย่างพันอยา่างนามเหมือนกันถ้าเอาไปใช้ในการรู้รอบรู้เรื่องอื่นเราเรียกว่าปัญญาเอาไปใช้เพื่อให้เกิดความตั้งมั่นของจิตเรียกว่าสมาธินามตัวเนี้ยเอาไปให้มันเกิดความรู้สึกตัวทุกพร้อมเรีกยกว่าสัมมชัญญา เอาไปให้มันรู้สึกระลึกได้ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่เรียกว่าสติก็เรียกว่านามทั้งหมดเอาไปใช้ในแกให้ความเกิดเมตตากรุณาผู้อื่นเรียกว่าเมตตาแปดหมื่งสี่พันอย่างนามตัวเนี้เห็นไหมแต่ก็เรียกว่านามแต่นามที่เป็นสมมุติหรือนามก็มีสองอย่างนามที่เป็นสมมุติกับนามที่เป็นปรมัาสนาามที่เป็นสมมุติเป็นยังไงนามที่เป็นสมมุติเช่นใจ จิตของเราเนี่ยมันคิดเรื่องอะไรมาคิดถึงบ้านคิดถึงบ้านให้ไปรูปหรือไปนามโอ้ทิ้งวัดมาหลายวันแล้วอยากจะก็บก่าววัดเื่อเกินนะอเปไปรูปหรือไปนามคิดถึงบ้านเนะี่ยอาถ้าบอกว่ารูป ก, ก็ผิดถ้าบอกว่านามก็ผิดต้องตอบว่าอะไรมันเป็นนามมารูปเพราะมันมาในนามมันมาในรูปของนามแต่ว่ามันก็เป็นรูปคือคิดถึงบ้านใช่ไหม แต่บ้านมันมีในใจของเราไหมบ้านหลังบ้านเรกมีในใจของเราไหมไม่มีแต่เห็นภาพใช่ไหมนั่นแหละมันเป็นรูปของภาพนั่นแหละเพราะเรานา ม, มารู้แต่ว่าความรู้สึกที่อยู่ในตัวของเราที่ไม่มีภาพ อ, อ, อะไรเลยเขาเรียกว่าอะไรมีแต่ความรู้สึกล้วนๆในตัวของเราเนี่ยเย็นแล้วหนังสั้นรู้สึกนเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่ารูปนามแต่พอมันสั้นเรื่องขึ้นมาในใจเขาเรียกว่านามารูปเห็นไหมดังนั้นตัวรูปนามเนี่ยมันจะไปจัดการกับนามารูป ถ้าเรามีสติในรูปในนามนี่นะอย่าอยู่กับกายกับใจอยู่ความรู้สึกเนี่ยมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นในใจใช่ไหมนามมารูปไม่เกิดแต่ไม่เลยเพ้อปักคิดปักพอคิดปักอะไรเกิดนามมารูปเกิดตัวนามมารูปนี่แหละเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ตัวรูปนามเนี่ยมันดับทุกข์ได้นะแต่รูปนามในทีนี้ที่มันมันเป็นตัวรูปนามโดยโดยปัญญานะไม่ใช่รูปนามโดยสัญชตาติญาณนะถ้ารูปนามโดยสัญชตาติญาณก็คือหนาวก็ ไปหาพ่อผมร้อนก็ปิดไฟปวดก็เปลี่ยนอันนี้ก็รูปนามเหมือนกันแต่รูปนามโดยสติที่เป็นสัญชาตญาณใช้ดับรูปได้ไหมไม่ได้เพราะมันเป็นสัญชาตญาณเพราะสัญชาตญาณมันจะเปแตรู้เรื่องรูปเท่านั้นมันไม่รู้เรื่องใจแต่เมื่อไรถ้ามันเปลี่ยนเป็นนา ม, มารูปไปเปลี่ยนเป็นความคิดเนี่ยคิดดีจะเป็นนามรูปแบบดีคิดไม่ดีทำปภาษา อภิธรรมเรถ้าคิดดีเรว่ า, ส, าสุขนะเจตสิกถ้าคิดไม่ดีเลืออาสุขนะเจตสิกนะถ้าคิดโดยทางที่ฉลาดเนี่ยก็เลยบอกครูคสอนเรื่องเจตถิว่าไปตามภาษาเขาแต่ความจริงก็คือคิดดีไม่ดีก็ตามยังเป็นนามรูปอยู่คิดอยากจะไปช่วยคนนั้นคิดอยากจะเมตตาคนนี้คิดอยากจะช่วยเหลือคนนั้นคิดดีไหมดีแต่ว่าทําไปทําจริงๆแล้วมันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์มันเป็นทุกข์ นั่นหมายความว่าไง ห, หมายความไม่ให้ช่วยเหลือใครเลยเหร อ, อ, อมันก็ไม่ถูกสิขดัดแย้ขึ้นมาแล้วนี่เพราะเรายังไม่รู้เรก่องธรรมะไปช่วยใครก็ยังช่วยไม่ได้เปนทุกข์อยู่แต่ถ้าเรารู้เรื่องธรรมะแล้วเนี่ยนา ม, มารูปใช้เป็นเครื่องมือเราใช้นามารูปเมื่อเมื่อไหร่ใช้นามารูปเป็นเขาเรียกว่าใช้ปรมัตเมือม่ อ, อไหร่ยังใช้ไอ้นามารูปไม่เป็นเขาเรียกว่ามันเป็นสมมุติอยู่สมมุติทําให้เกิดทุกข์แต่เมื่อไหร่ถ้าเรารู้ว่า รูปนามเกิดขึ้นในใจของเราแล้วนะแล้วก็ไปรู้นามรูปอั น, นั้นที่มันเกิดความคิดนั่ก็ดับไปเหลือแต่ความรู้ความรู้ที่เอาไปทํางานเรียกรู้เรียกว่าปัญญาเห็นไหมอวิชาั้ก่อเกิดสังขารสังขารก็เกิดวิญญาณวิญญาณก่อเกิดนามรูปเนี่ยเหตุให้เกิดทุกข์อยารนามรูปแต่ว่าในขบวนการปฏิเจติบาสิบสองอย่างเนี่ยมีคําว่ารูปนามไหมไม่มีมีแต่คําว่านามรูปนั่นะ ดังนั้นเรื่องนี้เราเฉพาะเรื่องนามนี่ก็มันรายละเอียดเข้าใจยากเพราะนั้นหลวงพ่อเรียนบอกว่าทั้งหมดทั้งปวงไม่ต้องไปรู้รู้แต่ความรู้สึกตัวก็พอนี่นี่เฮ็ุของหลพเทียนอยู่ตรงนี้นะแต่ถ้าหาเราไปฟังนักอภิธรรมก็พูดอย่างอภธรรมไปฟังนักปริยัตก็พูดแบบปริยัติไปฟังนักปฏิบัติก็พูดแบบนักปฏิบัติแต่ภาษาหลวงพ่อเทียนกลับมาอยู่ความรู้สึกตัวอย่างเดียวไม่ต้องไปยุ่งกับมันมันจะคิดรู้เรื่องเันไม่ต้องไปจํา ให้จำได้ว oh ่าให้รู้สึกตัวอย่างเดียวว่าจะพลิกจะเปลี่ยนจะเคลื่อนจะไหวจะไปจะมาให้รู้สึกจะหายใจให้รู้สึกแล้วก็หลวงพ่อเทียนไม่เคยปฏิเสธเรื่องหายใจนะแต่ท่านไม่เน้นเท่านั้นเองบังสายบอกว่าหลพอเทียนไม่สอนเรื่องหายใจมันไม่ถูกเหมือนนะอ้าวหายใจก็รู้ท่นบอกอ่าพับตาอ้าปากหายใจเลี้ยวสายไหลหัวกลุ่มเงยหยิบหยับจับโชติให้รู้ ท่านไม่ไปเสียเรื่องลมหายใจแต่ให้รู้มันรู้มันทุกส่วนเสมอกันอย่างที่ท่านอาจารย์บุญชูว่ามาเมื่อก่อนให้รู้การเคลืไหวทุกส่วนเสมอกันคือหมายความว่าไม่ใช่มาลูแต่มือนะเวลาเหลวมันก็ต้องรู้ที่หัวนะเวลานั่งปวดท้ายปวดตระเพา ก, ก็ให้รู้ตรงนั้นรู้สม่ำเสมอทั้งหมดน่ะมันถึงจะเป็นตัวสติสัมปชัญญะอันนี้เวลายกมือก็ไปรู้แต่มือ แต่นั่งโกดตั้งนานเมื่อยตั้งนั้นแต่คิวจับแขนจับขาตั้งตั้งนานแล้วไม่รู้นี่เขาเรียกว่ารู้แบบไม่สม่ำเสมอรู้แบบไม่ทั่วมันไม่เป็นสมัมพัญญาไม่ได้เพราะอะไรจึงรู้ไม่ทั่วเพราะมันเพลินยกมือเพลินไอความเพลินนี่แหละก่อให้เกิดความเผลินนะนั้นเราจะเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ไม่ใช่เรื่องเล็กเลยเราจะมาทํากันเล่นๆอามานินเสียดายอยู่ญาโยมไปที่บางที่ใ บ, บแห่งไม่มีครูอาจารย์ที่จะแจ้งเรื่องนี้ให้ละเอียด ก็เอาพูดเรื่องอะไรก็เรื่องอะไรการบ้านการเมืองกันอะไรมาพูดเ อ, อวันนี้พักนั้นเป็นไงพักนี้เป็นไงการมเมืองจะเลือกตั้งเมื่อไหร่ออกไปข้างนอกหมดไม่ออกเพราะฝังกขาเจริดเป็นแต่เรื่องเหล่านั้นแล้เรื่องมันมีเยอะไอ้เรื่องภายนอกเนี่ยท่านบอกใบไม้ในกำมือใบไม้ในป่าท่นบอกว่าตัวที่จะมาดับทุกขณะนี้มันไม่ใช่ใบไม้ในป่ า, ใ บ, ใ, ปาใบไม้ในกำมือเน้นแต่เรื่องนี้เน้นคือความรู้สึกตัว แต่ถ้าว่าคนไหนมีประสบการณ์มากๆก็จะมีเรื่องมาประกอบเยอะหน่อยอย่างอาจารมาเนี่ยบทนารีฐานเยอะเยอมั้งมันก็ต้องมีนิทานจริงบางนิทานเอามาประกอบให้มันเห็นชัดๆเท่านั้นเองแต่ไม่ใช่ตัวสาระตัวสาระที่มากำลังบอกรู้สึกตัวไหมขณะ น, นี้นั่งมานานเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงนะรู้สึกตัวไหมว่ามันหนักหรือมันเบามันสบายหรือไม่สบายรู้สึกตัวไหมรู้สึกรู้สึกแล้วอะไรไปรู้สึกเห็นมันไหมมันเกิดอย่างไร และจะให้มันดับไปอย่างไรความความรู้สึกไม่สบายเนี่นแยแก้ไขจัดการมันถูกต้องไหมแค่นี้นี่คือใบไม้ในกำมือนะถึงจะวบวนไปไกลแต่ก็ไม่ลืมประเด็นนี้ที่จะต้องกลับเข้ามาตรงนี้แต่ถ้าหากว่าพระที่ยังไม่เห็นรูเปเห็นนามตเตลิดไปเลยนะพอจำนี่นก็จับเรื่องไหนก็ตเตลิดไปไปเรื่องนั้นเลยกลับบ้านไม่ถูกอ่าแต่ถ้าพระที่รู้จักรูปจับนามดีแล้วท่านจะไม่ทิ้งประเด็นหลักตรงนี้จะวบวนไปอย่างจะเอาเรื่องไหนก็ประกอบกลับมาตรงนี้ให้ได้ เพื่อให้ทําให้จุดนี้ให้ชัดขึ้นเพื่อให้แยกยมมั่นใจตัวแบบตรงนี้แหละไอ้ความรู้สึกตัวเนี่ยแต่จะทํายังไงให้มันเป็นลูกโซ่อันนี้คือปัญหามันแต่ส่วนใหญ่เราไม่ได้ทําให้เป็นลูกโซ่ใช่ไหมน่ะทำพักหมึ่ก็โซ่ขาดแล้วนึกถึงรถอเวลารถขีบสมัยก่อนน่ะถ้าโซ่หลุดไปได้ไหมไม่ได้ถ้าโซ่ขาดไปได้ไหมไม่ได้ไอเราวันวันหนึ่งเราโซ่หลุดเรือ่อยเรื่อยมันถึงมือไปไหนยไง ไฟเลกหน่อยก็หลุดแล้วอ่าไปได้กัน่ก็หลุดก็เลยย้ําอยู่กับที่ไม่ดีลดพ่วงอีกแต่หากนะถ้าเราปลอกพ่วงอีกจะหากเมื่อวานนี้โซ่หลุดเรามันเป็นแถวนะต่อไม่ติดเลยเอามาวอกรักษาโซ่ให้ดีโซ่ดีก็ไม่ฟังแบกศาสตร์กับกับกุตีอย่างเดียวอะปลอ่อยหมดนะฮะก็มีอยู่สองสามคนเอาโซ่ใส่ทันนะเอะวันนี้ไม่รู้จะมารูกไหนอีกดูใครโซ่จะหลุดเอาไม่อยู่หรอกจนกว่าจะซ่อมโซ่เป็นเลยนะฮ <c oughs> ะ เออเสาหลุดก็เป็นแถวอะทำไงอันนั้เอามาก็ช่วยเบรกแล้วน้กเบรกไม่อย yeah, mm. um ู่จะทำไงเหลือใจจริงๆเลยเนี่ยหมดเวลาแล้วเนี่ยหกโมงกว่าแล้วเนอก็วันนี้หลวงพ่อจะบอกว่าเก็มที่ก็มาเพูดเก็มที่นวันนี้นะเต็ที่ก็ขออนุโมนาสาธุความตั้งใจของท่านทั้งหลายในการที่จะนำเอาเรื่องที่พูดเนี่ยไปทำ ไม่ต้องทำอะไรมากอ่ะทำความรู้สึกตัวนั่นแหละง่วงก็ให้รู้สึกแก้ให้เป็นปวดเมื่อยก็รู้สึกแก้ให้เป็นจะรู้จักแก้แล้วตัวรู้สึกตัวที่ลเล็กและน้อยนี้มันจะกลายเป็นนิสัยใหม่เป็นปััจใจใหม่เปลี่ยนแปลงชีวิตของเราเปลี่ยนแปลงไปสู่ชีวิตใหม่ชีวิตที่ไม่ทุกข์ด้วยกันทุกคนทุกท่านคือ